วันนี้เราก็มาถึงมงคลที่ยี่สิบเอ็ดในพุทธศาสนากันนะเดินทางมาไม่ไม่ใช่เล็กน้อยแล้วนะต่ายบันไดขึ้นมายี่สิบขั้นผ่านมาแล้วเหลืออีกสิบแปดขั้นจะต้องไปสามสิบแปดขั้นในพระพุทธศาสนาจบเมื่อไรหมดกิเลจสักสทีเ <c oughs> อ่อตอนนี้ มาถึงบันไดขั้นที่ยี่สิบเอ็ดแล้บันไดขั้นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชื่อว่าตั้งชื่อว่าความไม่ประมาทสําหรับความไม่ประมาทคํานี้นี่ฟังเผลอๆแล้วก็ง่ายอืมทําอะไรอย่าประมาท ล, ลูกเอ้ยบางคำบางคืนอย่าประมาทนะ มุงเ ย, ยวเขี่ยวขอมันเยอะจะออกเดินทางไปทางไหนแลก็ควาไฟฉายติดไปด้วยนี่ไม่ประมาทแบบชาวบ้านอย่าประมาทนะลูกเอ้ยบ้านนี้เมืองนี้นักเลงโตมันเยอะข้งข้ามมาคืนไออกจากบ้านได้แล้วดีลูก ไอ้ขีเมาล์มันก็ไม่ประมาทเหมือนกันไม่ว่างไงพวกเอ้ยอย่าประมาทนะอีตอนนี้เล่าแพงกินแค่ห อ, หอมป่ากหอมคออืมนี่ไม่ประมาทแต่ขี้เหล้ามันซึ่งจริงๆนั่นแหละตัวประมาทเชียวทีนี้ทําไมประมาทแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหมายถึงอะไรเราลองตามมาดูกันคงไม่ใช่ประมาทแบบชาวบ้านแน่ ความไม่ประมาทซึ่งมาเป็นธรรมะในมงคลที่21หรือเป็นบันไดขั้นที่21ในพระพุทธศาสนานี้ลึกซึ้งไม่ใช่ของพอดีพอ้ร่ไม่ใช่วีสัยของคนที่ไม่เจอพุทธศาสนาจะนึกจะตรองเอาเองได้แม่ผู้ที่เจอพระพุทธศาสนาแล้วหากไม่พินิษ์พิจารณาให้ดีก็ยากที่จะเข้าใจ ประวตาถ้ามันง่ายมันคงไม่มาอยู่เอาเป็นมงคลถึงข้อนมาทั้งท้ายๆแล้วมงคลที่ยี่อนี่ข้อมาทางท้ายๆแล้วนะอีกประการหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพานเวลาที่พระองค์จะสรุปหัวข้อธรรมะทั้งหมดที่พระองค์ทรงสอนมาแล้ว45หปีนะ่ะ พระองค์แทนที่จะกล่าวถึงหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งพระองค์ก็กลับมาพูดถึงความไม่ประมาทนี้เองโดยตรัสเป็นปัดฉิมมโอวาทว่าเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายว่าออภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายนี่มันไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงทจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอด จะปรินิพพานอยู่ยกห ย, ยกอยู่นี่แล้วก็แทนที่จะเน้นหัวข้อธรรมะข้ออื่นก็กลับมาเน้นเรื่องความไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นความาธรรมะคือความไม่ประมาทนี่เรื่องสําคัญเรื่องใหญ่แน่ๆเลยมองข้ามไม่ได้ทีนี้ก่อนจะอธิบายเรื่องนี้ ให้ลองทดลองดูโครงสร้างของพุทธศาสนาก่อนลองหลับตาแล้วก็นึกถึงเจดีนครปฐมก็นหรือเจดเออีองไหนก็ได้ที่โตๆสักหน่อยนะจะได้นึกถนัดถนัดที่ยอดเจดีปักธงไว้ธงปักธงไว้ผืนหนึ่งนะลองหลับตานึกดูก ที่ยอดเจดีย์ปักธงไว้ผืนบนผืนนั้นน่ะเขียนเอาไว้สั้นๆว่าความไม่ประมาทหรือไม่ประมาทหรืออย่าประมาทแล้วก็มีคำในวงเล็บติดท้ายเอาไว้ด้วยที่ธงผืนนั้น่ะมีคำในวงเล็บเนี่ยเขียนเอาไว้ ซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกับคาไม่ประมาดนั่นแหละแต่ว่าในแง่มุมต่างๆเขาเขียนไว้ในวงเล็บว่าอาหมดกิเลสมัง่งนิพพานมัง่งอรหันมัง่งพ้นทุกมัง่งนี่เขาเขียนเอาไว้อย่างนี้ดังั้นความไม่ประมาทเนี่ยมันจะพ้นทุกมเมื่อไม่ประมาทถึงที่สุดแล้วมันจะพ้นทุกจริงๆ เมื่อไม่ประมาทถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะหมดกิเลสได้เมื่อไม่ปร ะ, ประมาทจริงๆถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะไปนิพพานได้เมื่อไม่ประมาทจริงๆแล้วลราก็สมบูรณ์เต็มที่แล้วลราก็จะหมดทุกที่ทงผืนนีนะเขียนเอาไว้อย่างนี้เขียนเอาไว้ว่าอย่าประมาทหรือไม่ประมาท แล้วก็มีคำในวงเล็บซึ่งเป็นคำแทนคำไม่ประมาทได้อยู่หลายๆคำอย่างนี้เขียนคำว่าพ้นทุกข์มั่งหมดกิเลสมั่งอ น, นิพานมั่งเป็นอรหันต์มั่งที่นี้ต่ำลงมานิดนึงที่ยอดจะดีนะมีทงผืนเขียนววาอย่างนี้นะที่นี้ เจดีทั้งหลังนั่นน่ะประกอบไปด้วยเจดีทั้งหลังนะประกอ บ, ท, นะกอบทั้งองค์ไม่ใช่ทั้งหลังเจดีทั้งองค์เนี่ยประกอบด้วยอิฐปดหมื่นสี่พันก้อนซึ่งได้แก่พระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนานี่แหละอิฐปดหมื่นสี่พันก้อนเรียงกันซ้อนกันได้จังหวะจะโคนอย่างดีเชียวจนกระทั่ง กลายเป็นองค์เจดีย์ที่นี่มีข้อสังเกตไอตรงยอดนะ่ะต่ำมาจากทงที่ปักเอาไว้นั่นนะ่ะมันมีอิฐสามก้อนเรียงกันอยู่ไอสามก้อนเนี่ยที่เรียงกันนี่มีคำอธิบายเขียนติดเอาไว้ด้วยอลองหลับตามนึกดูนะไอคำอธิบายเขียนติดเอาไว้ ว, ว่าละชั่ว ทำดีทำใจให้ผ่องใสนะเขียนเอาไว้ว่าอย่างนี้เจดีเนี่ยนะมีอิดอยู่ 84,000 พก้อนไอ้3ก้อนข้างบนเขียนว่าละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสซึ่งเป็นการขยายความของคำว่าไม่ประมาทนั่นแหละ ละชั่วทำดีทำใจให้ผองใสสามอย่างนี้มันเป็นการขยายคำว่าความไม่ประมาททีนี้ไอ้ละชั่วนั่นขยายความตอบออกไปอีกโยงลงมามีก้อนหินเป็นสามเศร้าหรือก้อนอิดเป็นสามเศร้ารองรับอยู่เป็นการขยายความเขียนเอาไว้ว่า นะมันหนุนไอ้ไอละชั่วนะ่ะอ่อนนิดหนึ่งไอ้ละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสแต่ละก้อนละก้อนนะมันมีวงเล็บไว้ข้างใต้เด้อละชั่วมีวงเล็บเอาไว้ว่าศีลทําดีวงเล็บเอาไว้ว่าสมาธิทําใจให้ผ่องใสวงเล็บไว้ข้างล่างด้วยว่าออปัญญา หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอที่จะละชั่วแล้วก็ต้องต้องมีศีล น, นะรักษาศีลให้ดีใช่แล้วจริงจะละชั่วได้ไอ้ที่ทําดีแล้วก็วงเล็บไปลว่าสมาธิน่ะหมายความว่าทําดีสารพัดอย่างแล้วสุดยอดของความดีนั้นๆทาให้ใจเป็นสมาธิส่วนที่เขียนไว้ทําใจให้ผ่องใสวงเล็บแปลว่าปัญญาหมายถึงว่า เมื่อศึกษาหาความรู้ต่างๆได้มากเข้ามากเข้าความสว่างในใจก็เกิดขึ้นเพรามันไล่ความโง่ทิ้งออกไปได้ในเวลาเดียวกันความปัญญาอีกส่วนก็เกิดจากการที่ทำสมาธิมากๆแล้วก็เลยทำให้เกิดปัญญาตกลงเป็นอันว่าไอ้ที่ว่าไม่ประมาทก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างแนบแน่นนั่นเองที่นี อทิวสีนละชั่วเพื่อขยายความให้ง่ายขึ้นอีกเขาก็มีอีกรองรับมาอีกสามแผ่นเขียนไว้สัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีวะือสัมมาอาชีโวะจะแปลก็บอกไอที่เรียกว่าศีนคือพูดให้ดีๆทำการงานให้ดีๆแล้วก็เลือก ประกอบอาชีพจะที่ดีๆไม่ขี้ชอ่อตอแหลไม่โกงใครกินนี่คือศีลทีนี้ที่สมาธิน่ะก็มีอิดรองรับอยู่อีกสามแผ่นเขียนเอาไว้ว่าสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ คือเขียนเอาไว้ว่าให้มีความเพียรชอบคือเพียรที่จะละชั่วเพียรที่จะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความเพียรชอบมีความระลึกชอบแล้วก็มีใจตั้งมั่นชอบแล้วเขียนเอาไว้ว่าอย่างนี้ส่วนปัญญาก็มีอิดรองรับอีกสองก่อน เขียนเอาไว้ชัดๆว่าสัมมาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะคือมีความเห็นชอบกับมีความดำริหรือความคิดที่ชอบที่ถูกจากทงหนึ่งผืนขยายเป็นสามผืนคือศีลสมาธิปัญญา ขยายออกมาเป็น8ปคือมักมีองค์8ตั้งแต่สัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีอยู่8ก้อนขยายความมาอย่างนี้ทีนี้เจ้าสัมมาวาจาสัมมากรมันโตสัมมาอาชโวะขยายออกมาเป็นอะไรได้บ้างขยายลงฐานเลยทีนี้ มาเป็นสินห้ามาเป็นสินแเป็นสินส0มาเป็นสนีล227ข้อแล้วก็กลายมาเป็นสีนสอง0 0ข้อในพระวินัยปิฎกส่วนความเพียรชอบตั้งใจชอบมีความระลึกชอบนั่นโยงออกมาเป็นอิหเป็นหินอีก 21,000 ก้อนที่เรียกว่า พระสูตรหรือสุดตันตปิฎกแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีความเห็นชอบมีความดำริชอบแยกออกมาต่อลงมาเป็นก้อนอิดอีก 42,000 ่อนก้อนที่เรียกว่าพระอภิธรรมรูปร่างเป็นอย่างนี้ทั้งเจดีมีอิดรวมแล้ว 84,000 ่ก้อนอิด นั้นย่อเหลือเพียงหนึ่งคือบนยอดเขียนไึ้ว่าความไม่ประมาทคนที่จะไม่ประมาทนั้นต้องทำสามอย่างคือมีศีลมีสมาธิปัญญาคนที่มีศีลก็มีแต่ศีลห้าข้อแต่ข้อ10ข้อ227้อดข้อเรื่อยมาจนกทั่งศีลเต็มพระวินัยเลยสอง0 0ข้อนี่เป็นอย่างนี้ไล่กันมาเป็นลำดับไปนี่คือโครงสร้างในพุทธศาสนาของดอก ทีนี้เราก็มาดูกันไอของทั้งหมดเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าเอามาจากไหนกันเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าแปดหมื่สี่พันข้อเราไม่ได้เอามาจากไหนเลยเอามาจากร่างกายที่กว้างวาหนาศอกยาวคืบแล้วขอไปกว้างศอกยาววาหนาคืบคือเอามาจากตัวเนี่ยสังเกตตัวเราเองนะกว้างเท่าไรตัวเราเนี่ยกว้างไม่มากศอกเดียวศอกใครศอกมันทาบดูก็แค่เนี้ย กว้างแค่นี้กว้างศอกยาววานหนึ่งความสูงของคนเราเนี่ยสูงแค่ไหนโดยทั่วไปแล้วก็พอเรากลางแขนออกไปวัดได้เท่าไหร่นั่นแหละมันยาวเท่าไหร่กางแขนไปเ น, นี่ยเราเรียกว่าวานไปวัดเถอะเท่ากับความสูงของเราบางทีจะสูงกว่าความสูงของเราอีกโดยซ้ํากว้างศอกยาววานหนึ่งหนาแค่ไหน คนลังเราหนาไม่เกินคืบคืบตัวเองวัดดูเท่านั้นไม่เด้มันยิ่งใหญ่เต็มแผ่นดินเปล่ามันจะเป็นขอทานมันจะเป็นนายกมันจะเป็นประธา น, นาธิบดีหรือมันจะเป็นเจ้าเบื้อกอะไรก็ต่างไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเลยกว้างแค่ศอกกว้างศอกหนึ่งยาววานหนึ่งหนาคืบนึงี่เท่านี้ แล้วไอ้ทั้งหมดเท่านี้นี่แหละเราก็มีทุกคนก็มีพระพุทธเจ้าก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเหนือมนุษย์ทั้งหลายสา ม, มารถที่จะเออเอาตัวห้องพระองค์เองมาเป็นห้องแลบปฏิบัติการมาค้นคว้าธรรมะออกมาได้แ4 0 0มื่นสี่พันข้อมาแจกเราไอ้เราสิ ตัวก็กว้างสอบยาววาหนาคืบสัสดส่วนคล้ายสัสดส่วนมัน่ะค้นอะไรได้เจอมัง่งลืมตาก็เจอขี้ตาไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอามาเรียนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะ <S <S แล้วพระองค์ก็ให้ข้อคิดไปว่าอย่างนี้พอเรามองรูปร่างของพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ให้ข้อคิดอย่างนี้ว่า จิตของคนเราเนี่ยนะมันมีธรรมชาติอยูคือมันชอบคิดเธอะตื่นขึ้นมาปั๊บเราเป็นคิดกันละคนคิดดีคิดไม่ดีก่อนแล้วแต่พอตื่นขึ้นมาก็คิดก่อนมันเป็นธรรมชาติของใจของคนทั้งจิตทังคนเราแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยพอคิดแล้วมันมักจะพลาดไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิด พระพุทธเจ้าเนี่ยของเรามีวิธีคิดที่ได้ร่องได้รอยเหมาะเจาะเพราะฉะนั้นค้นธรรมะมาได้จังเยอะเรานี่มันคิดไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวค้นอะไรไม่เจอเลยไอของที่เขาค้นเจอไปแล้วมาให้ดูยั่งไม่รู้เรื่องอีกโยนทิ้งส่งหมดเอ้าเอากระตรายกระโดกมาอ่านดูไม่รู้เรื่องว่าโยนครมอ่าไม่รู้เรื่องอีกเพราะอะไร พราะใจของเราเนี่ยมันมันช่างคิดก็จริงอยู่แต่พระองค์บอกมันคิดแบบเมาเมาไอพวกเราเนี่ยมันคิดแบบเมามบบเม า, มบบเมาทั้งที่ไม่ได้กินเหล้ามันก็เมากินเหล้าเปล่าไม่ได้กินเลยทุ่งตื่นมาหยกๆยกเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่ได้กินแต่ถึงอย่างนั้นมันยังเมาเมาอยู่ ท่านบอกว่าอาการเมาห้องใจของคนเราเนี่ยคือมันปล่อยให้ใจเนี่ยคิดเตลิดเปิดเปลืงไปโดยไม่มีหางเสือแล้วท่านเน้นไ้ว่าอย่างนี้ใจของมนุษย์ทั้งโลกเมื่อเวลาจะคิดมักจะปล่อยใจให้คิดเนี่ยตกอยู่ในกามะคุณทั้งห้าคือคิด แต่และเรื่องแต่เรื่องพอแยกออกแล้วก็มันมาสรุปได้ว่าเมาในเรื่องรูปนะหลงรูปตัวเองเออมันจะหลอ่อมันจะสวยแล้วมันจะหาไอ้ไอ้ที่ถูกถูกตาของมันน่ะหาไอ้ที่ถูกถูกตามองหาไอ้ที่ ถ, ถูกถูกตาเอามาจับเอามาจ้องสารพัดมันเมาอยู่ในรูปพระองค์บอกอยากจะได้ไอ้รูปที่เข้าท่าเข้าท่า ถ้าไม่ได้รูปไอ้ที่เข้าท่าชักยั่วชักโกรธขึ้นมาก็เมาอีกชนิดหนึ่งอีกเหมือนกันเมาในรูปมังเมาในรถมังรถในที่นี้หมายถึงกินอะไรเข้าไปแล้วถูก อ, อกถูกใจก็ติดใจยอยู่นั่นแล้วฝันถึงผวาถึงเมาในรูปเมาในรถแล้วก็เมาในกลิน่นเ ม, มาในกลิน่น ได้อะไรหอมหอมแล้วก็ชื่นใจไอ้บางคนยังขอตังค์แม่อยู่เลยจะเรียนสือขอตังค์แม่ไปโรงเรียนอยู่แต่ยอมนะอดกินขนมอดอะไรก็เอาอยากจะได้น้อมหอมหอมหอมชื่นใจสักควรอดสักทั้งหลายวันน่ะเออมันก็เป็นข้องมันหลงในรูปหลงในรถหลหลงในกลิ่นรูปรถกลิ่นแล้วก็หลงในเสียง ได้ยินเสียงเพราะเพราะเขาตามไปถึงบ้านเลยบางทีตามไม่ถึงได้ยินเสียงเนี่มันถูกใจนึกเลยออกมาคงจะมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ก็วาด ไ, ไปแหมเสียงนี่เพราะจริงเจ้าของเสียงคงสวยนะะไปเจอตัวเขาโอ้โหอ้วน อ, อ, อ, อ, อ, อย่างกระโลงเออเอามาก็นื้อของมันตายละจมันเป็นอย่างเงี้ยหลงรูปหลงรสหลงกลิ่นหลงเสียงหลงเอ่อ โหดทพะหรือที่มักเราจะใช้กันว่าสัมผัสนะสิ่งที่แตะต้องเด็กเดิน เ, เ, เลือดเนื้อร่างกายได้เราก็หลงอยู่อย่างนี้แหละวันวันก็จมอยู่อย่างนี้อยากจะได้บ้างก็ต้องสวยเยี่ยมเลยอยากจะได้เสื้อผ้าก็ต้องอะไรน่ะมาดเลยมันอึจะต้องเอาให้มัน ไปตาเหมันเฉียวตาบาตาอะไรเขมันก็ว่าเขามันไป่ะแหละนะพระองค์บอกนี่มันเมากันอยู่อย่างนี้แหละนะใจของมนุษย์นะ่ะที่นี้เมื่อมันเมาความคิดเขามันก็เลยจมอยู่ในกามาคุณทั้งห้าเนี่ยจมในรูปในรสในเสียงในกลิน่นในสัมผัสในธรรมารมต่างๆเนี่ยมันจมอยู่ พอใจมันจมอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ความคิดดีๆเนี่ยมันก็เลยหายไปที่จะสร้างสรรค์อันนู้นอันนี้มันชักจะหายไปความเห็นแก่ตัวมันเริ่มเข้าเข้ามาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ชักจะหายไปดีไมด่ดีความคิดที่สุจริตหายไป ม, ม, า ม, ามีความคิดทุจริตเข้ามาแทนพอมีความคิดทุจริตเข้ามาแทนคําพูด ไอ้ที่ไม่ดีไม่ดีก็เริ่มหลุดออกมาจากปากแล้วการกระทาที่ไม่ดีต่างๆก็ปรากฏออกมาแกชาวโลกเพระองค์ชี้ให้ดูเลยไอ้ความการกระทำที่ไม่ดีๆที่มันหลุดออกมาที่พอจะเห็นได้เนี่ยเป็นต้นว่ามาถึงจะคราวทำความดีอก็ึ่งใช้คาว่า ก็ททำความเพียรไม่ติดต่อกันอยากจะนั่งสมาธิรู้สมาธิดีแต่ว่านั่งไปวันหนึ่งคุ้มไปได้ปีปีหน้าเอาใหม่วันนี้นั่งนั่งไปได้ตั้งสองชั่วโมงเนตั้งใจอยู่หน้าหลวงพ่อนั่งไปสองชั่วโมงกลับไปถึงบ้านวันนี้ก็นั่งว้ตั้งสองชั่วโมงแล้วคืนที่ไม่ต้องก็ได้วะ เฉลี่ยแล้วที่นั่งมาวันนี้ก็มันก็คุ้มกันหลังคืนไม่ต้องแล้วพรุ่งนี้ก็อีกล้วเอาล ะ, ะ, ะ, ะเฉลี่ยก็เมื่อวานนี่ก็ยังคิดแล้วสองวันก็ยังนั่งไปตั้งชั่ววันละชั่วโมงเออมันได้ทําความเพียรอย่างาติดต่อกันไปอันที่สองไม่เฉพาะความเพียรจะทํางานทําการนะก็ทำทำหยุดหยุดหยุดยุดทำทำอาจะนั่งสมาธินั่งไว้วันสองวันแหมวันนี้หยุดสักวันเถอะ หยุดตั้งตัวว่างั้นอาจะหยุดสักวันแท่นี้หยุดสักวันลูกอึอีกวันนึงนะ่ะหยุดไปหยุดมาวาวเป็นเดือนนะ่ะนี่เป็นอย่างนี้หยุดไปหยุดมาลืมไปเลยว่าอาจารย์ที่สอนสมาธิชื่ออะไรออปายโนนมันทำทำําหยุดหยุดอาการที่สามพระองค์ก็บอกต่อแล้วก็มักจะทํโดยขาดความเคารพเพราะความที่ใจมันเนี่ย มันไปจมในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสเวลาจะทำอะไรมักจะทำในขาดความเคารพรู้นัดทำทานเนี่ยดีแต่ว่ามันชักจะขี้เกียจขึ้นมาละเอาน่ะไงนั้นนี่ก็ข้าวเหมือนกันละมันจะข้าวก้นหม้อข้าวปากหม้อกราบก็เอาน่ะกินได้ก็แล้วกันนะพระอะไรก็เหมือนก็แล้วฉันฉันไปเถอะมีแรงก็ใช้ได้อร่อยไม่อร่อยช่างมันน่ะไม่ทำในความเคารพ จะไหว้พระทั้งทีบอกว่ามันไหว้เนี่ยก็ลิงไหว้เจ้านะประลกประลก ก, ลกล้มไปทิ้งทำมือแปะแปะสามทีเออเป็นจางครับระดิตก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ไม่เอาหรอกมันมันช้าแท้ที่จริงไม่ใช่ช้ามันขาดความเคารพซะแล้วเพราะใจมันไปตกอยู่ในเรื่องอะไรซะก็ไม่รู้คือใจมันเมานั่นเอง ไม่ทำความเพียรติดต่อกันไปมั่งทำทำหยุดหยุดมั่งทำได้ขาดความเคารพมั่งหรือว่าทำโดยไม่เต็มแรงจะทำงานทำการทำไม่เต็มแรงทำเหมือนยิงก็เสียไม่ได้จะช่วยจะเหลือใครก็ขนาดงานของพ่อของแม่ตัวเองก็ทาทำไปนั้นแ่บเหมือนอย่างไอหุ่นยนต์หรืออย่างที่เขาเรียกว่าทำแก้โบนทำไปนั้นหรือ หมดความพระองค์บอกเลยอาการที่แสดงว่าใจมันเริ่มเมาแย่เต็มทีนะคือนอกจากหมดนอกจากทำโดยไม่เต็มแรงแล้วทำโดยทอดฉันทะคือไม่มีความรักในงานเลยทำโดยชดทอดฉันทะถึงเวลาก็ไปทำแต่ว่าไม่ได้รักมันจะเสียมันจะหายเป็นยังไงก็ช่างมัน เหมือนอย่างที่เราเรียกกันว่าเดี๋ยวนี้ไปทำงานกันทั้งส่วนตัวทั้งราชการเช้าชามเย็นชามนักเข้านักเข้าเช้าครึ่งชามเย็นครึ่งชามเป็นอย่างนั้นไปสิทำโดยทอดฉันทะคือไม่ได้รักหรอกแต่ก็ทำมันไปงั้นนักเข้าทำโดยทอดธุระทำโดยทอดธุระนี่ทับจะว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูงานเลยหนักปวทอดฉันทะ ไอ้ทอดฉันทะนะ่ะคือทำทำมันไปมันจะเสียจะหายก็เอาตามเรื่องตามดาวทำไปนี่ทอดฉันทะคือหมดรักมาแล้วแต่ทอดธุระนี่หนักไปกว่านั้นอีกไม่เอาเรื่องเลยผู้ชายอยากจะทำกาทำไม่ทำกาตามใจเป็นผู้บังคับบัญชามาถึงก็เซ็นชื่ออย่างเดียวงานไม่ติดตามเลยที่นี่ ยิ่งกว่านั้นไปไปหนักเข้าจิตใจก็โลเลไม่ตั้งไม่ตั้งมันไม่จดจอ่อแล้วก็ทํางานด้วยความชะล่าใจทําอะไรอะไรก็อย่างที่เขาชอบว่ากันนั่นแหละไม่เป็นไรแล้วไอ้นั่นไม่เป็นไรแล้วไอ้ไม่เป็นไรแล้วกว่าจะรู้ว่าเป็นไรเขาหมดหมดเนื้อหมดตัวท่านแล้วนี่ท่วมหัวเชียวไม่เป็นไรแล้วไอ้นุนก็ไม่เป็นไรไอ้นี่ก็ไม่เป็นไร พ็รู้ว่าเป็นไรเขาหมดตัวเออแล้วก็หนักเข้าหนักเข้าคนที่มีลักษณะอย่างนี้ไปไปเขาความที่ใจมันจมอยู่นินอย่างนี้เองเมื่อแรกก็รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงแต่ว่าพอใจมันจมในเรื่องรูปเรื่องรสเรื่องกลิน่น เ, เรื่องเสียงเรื่องสัมผัสเหล่านี้เขา้าเอ๊ะ มันเช็คนึกไม่ออกแล้วก็บุญมันเป็นยังไงบามันเป็นยังไงนึกนึกไม่ออกหนักเข้าหนักเข้าพอใครมาชวนทําบุญด่าเอาอีกด้วยนราจะทาไปทําไมไ ม, มันค่อย ค, อยคอยหนักเทียบลงเทียบลงหนักหนักเข้าไม่เข้าวัดชาตินี้ปฏิเสธเลยไม่เข้าวัดแต่ความจริงมันต้องเข้าเพียงแต่ว่าเขาหามเข้าเท่านั้นแหละนะหามเข้าเข้าเสร็จแล้วเขาเลยไม่เอากลาบับเผาเสร็จ าการทั้งหมดเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าความประมาทความประมาทเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้ก็คือหัวข้อที่หนึ่งออคำแปลและความหมายคำว่าความไม่ประมาทนี่โดยคำแปลก็คือการมีชีวิตอยู่โดยไม่ขาดสติหรือการมีออการมีสติอยู่ตลอดเวลา นี่โดยคำแปลท่นี้โดยความหมายสําหรับความหมายนี่ได้เป็นรวบรวมพลิกกระจายจิตดกแร้างมือแับจะบวมเชียวพลิกแล้วกว็พลิกอีกคลิกแล้วกว็พลิกอีกในที่สุดรวมความหมายของความไม่ประมาทนึกกะการไม่อยู่ขาสติออกมาได้ว่าอย่างนี้เออความไม่ประมาท หมายถึงการระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำหมายถึงความระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดๆแล้วก็ไม่ยอมถลําลงไปในทางเสื่อมนี่มันเป็นลักษณะของมันลักษณะของสติที่คุมตัวเนี่ย ไม่ยอมถลำไปในทางเสื่อมและไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับทำความดีและไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับทำความดีความเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นยังตรหนักดีเด้วยว่ายังตรหนักดีทั้งสิ่งที่จะต้องทำอะไรที่จะต้องทำก็ตรหนักด้ ว, ว่าจะต้องทำ ยังตรหนักดีถึงสิ่งที่จะต้องทำถึงกรรมที่จะต้องเว้นอะไรจะทำก็รู้ดะอะไรจะต้องเว้นรู้ดะแล้วก็ใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่ใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่มนนทไม่ปล่อยปละละเลยกระทําด้วยความจริงจัง และพยายามเดินรุดหน้าอยู่ตลอดเวลาโดยสรุปความไม่ประมาทหรือการมีสติอยู่ เ, เสมอก็คือมีความรู้สึกรับผิดชอบอยู่ความรู้สึกรับผิดชอบตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่คือความไม่ประมาทจะพูดดีคำ คนที่ไม่ประมาทคือคนที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ใช่ตื่นโตนกตื่นตัวแต่ไม่ใช่ตื่นตรหนกไม่ใช่คนง่วงเหงาหานอนไม่ชนไม่ใช่คนขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่คนถวดถวามีความรู้ตัวอะไรควรทำก็รู้อะไรไม่ควรทำก็รู้